บัดศสนากรรมฐ า, านเพียรเฝ้าไม่เว้นทั้งเย็นและเช้าสำนักอาจารย์เสากันตะซีโลที่วัดเรียบเมืออุบลเริ่มต้นอดทนอโคไม่ลดละภาวนาพุโทโธ ใจนั้นเริ่มมั่นแน่นหนาสติคอยเตือนไม่ร้างเลือนคำภาวนาคืนหนึ่งนั้นหลับไปเพียงนิดเกิดสูบินนิมิดไปว่าจากบ้านโดนดันเข้าป่าใหญ่เลือกคณะวากห้ามากมา ลม้ลมลงจมไปจมดินจมสายอยู่นานปีท่านใต่ขึ้นไปบนคอนที่ผูกพังทั้งเปลือกกบะพี่พี่จารณาทันทีว่าไม้นี้เหมือนพบชาติเราเขาตัดทิ้งลมจมเนา่ารากเงาไม่หา เพบชาติเราดังว่าจะสิ้นสุดนาท่าพยายา ตัวงามมาแต่ยามได้ไม่รู้ทันที่หลังมันมาก็พลันวิ่งไปแนละ ใส่สีเงินงามรูรุนคิดและจ้องมองดูเป็นตู้ประทายพี่ดกงามยิง่งมาพามาหยุดนิ่งยืนยนิ่งท่านลงทันทีจะเปิดตู้นั้นแต่เปิดไม่ทันท่านตื่นพอดี สุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีความสําเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุโทโธเป็นคําบริกรรมประจําใจในอิริยาบถต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนธรรมคือทุดงควัตที่ท่านยึดถือปฏิบัติอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ ถือผ้าบังสุกูลเป็นวัดไม่รับขหะปฏิจิวรที่เขาถวายด้วยมือ 1. บิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาท1ฉันมือเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆหนึ่งฉันในบาทเป็นวัดคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัด คือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างชายเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาบ้าง1ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังฆาติจีวรสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้1ทุดงนอกจาก7ข้อที่กล่าวนี้ท่านก็อสมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยแต่ทั้งเจข้อนี้ท่านยึดถือปฏิบัติเป็นประจาจนกลายเป็นนิสัย ซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน